วันนี้จะได้บรรยายพระสูตรต่อจากที่ได้กล่าวมาแล้วก็วคืออนัตตลักษณสูตรเมื่อวันก่อนนั้นได้พูดมาถึงรูปเวทนากับสัญญาวันนี้จะพูดถึงข้อสังขารคําว่าสังขารนั้นทรงใช้คําว่าดุก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา ถ้าสังขารทั้งหลายจักเป็นนาตาตัวตนแล้วสังขารทั้งหลายจักไม่เป็นไปเพื่ออาภพาตคือมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปและสัตว์ทั้งหลายสามารถที่จะตั้งความหวังให้สังขารของตนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้แต่เพราะสังขารทั้งหลายเป็นอนาตาสังขารจึงเป็นไปเพื่ออาภพาตและสัตว์ทั้งหลายก็ไม่อาจที่จะตั้งความหวังว่า ขอสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอสังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอันนี้ก็เป็นข้อความในพระสูตรคําว่าสังขาร น, นั้นเราใช้การหลายที่ด้วยกันในที่บางแห่งนั้นที่เราเรียกว่าสังขารมีใจครองและไม่มีใจครองก็หมายถึงคนสัตว์ภูเขาต้นไม้ก้อนอิฐก้อนหินหเป็นต้นนี่เราพูดเป็นการเกาะกลุ่มของ สาระวัตถุทั้งหลายซึ่งเราก็เรียกว่าสังขารแต่สังขารในขันห้านั้นมีความหมายอีกอย่างหนึ่งต่างหากคือหมายเอากุศลและธรรมมากุศลและธรรมและสิ่งที่เป็นกลางกางที่พระสวดในงานศพที่ว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาอิญญากธารธรรมานี่คือเนี่ยเราเรียกว่าสังขาร กุศลเช่นอะไรบ้างเช่นสติความระลึกได้สัมจัญญาไอ้สัมจัญญาความรู้ตัวหิริความละอายแก่ใจอุตตระความสะดุ้งกลัวต่อบาปเมตตาความปรารถนาดีมุติตาความพรอยินดีเนี่ยเรียกสังขารทีนี้สังขารในส่วนที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็เช่นอะไรเช่นความโลภจากได้ของคนอื่น ความไม่ละอายต่อบาปความไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปความเผลอเรอความหลงความมักคาดพยาบาทเป็นตัวนีน้หรือที่เป็น ก, นกลางๆงคือมันไม่ดีไม่ชั่วใยตัวมันเองเช่นสัญญาความจำไอ้ตัวมันเองนะไม่ดีไม่ชั่วก็วนอกจากสิ่งที่ที่มันจำคือจะดีหรือจะชั่วตัวมันเองก็กลางๆหรือว่าเวทนาความสวยอารมณ์ก็เป็นกลางๆง กนี้เรียกว่ารูเจตนาความจงใจนะฮะตัวมันเองนั้นก็เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชัว่วแต่สิ่งที่เป็นเหตุเกิดเจตนามันก็อีกอย่างหนึง่งสังขารกับจิตนั้นมันไม่อาจที่จะแยกออกจากกันได้เพราะแกจะเกิดขึ้นพร้อมกันจะดับพร้อมกันจะมีอารมณ์อย่างเดียวกันที่เราพูดกันว่าโกรธเนี่ย กรธก็หมายถึงว่าจิตมันถูกความโกรธครอบงำเราเรียกว่าโกรธหรือเมตตาเนี่ยจิตมันก็มีเมตตาเข้ามาประกอบอย่างที่เคยอุปมาให้ฟังว่าจิตเหมือนกับพยัญชนะคือตัว อ, อักษรกคคไอ้สังขารหรือที่เราเรียกว่าเจตสิกนั้นก็เหมือนกับสระพยัญชนะวรรณยุกต์คือมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่พยัญชนะได้ตลอด แต่ถ้าตัวกอไม่มีอะไรมาเปลี่ยนมันก็กออย่างนั้นนะฮะกี่ครั้งกี่ครั้งก็ปินเป็นได้แค่กอแต่ถ้าพอสระพยัญชนะวันณยุกอะไรตัวมาทําให้ตัวกอมันหมุนได้เยอะแยะไปหมดตัวกอตัวเดียวจิตเราก็มีลักษณะอย่างนี้นที่มันเกิดเปลี่ยนแปลงไปดีบ้างชั่วบ้างกลางบ้างนั้นเพราะตัวสังขารเนี่ยเข้ามาปรุงคือความดีเข้ามาปรุงก็ตอนนั้นจิตก็ดีความชั่วเข้ามาปรุงจิตก็ชั่ว กลางๆเข้ามาปรุงจิตมันก็เป็นกลางๆอย่างที่เคยอุปมาว่าถ้าอุปมาแล้วก็จิตก็เหมือนกันน้ําหรือเมือนก็แก้วยาพิษมันใส่แก้วหรือแก้วยาพิษเอาน้ําหวานมันใส่ก็เรียกแก้วน้ำหวานเอาน้ําธรรมดามันใส่ก็แก้วน้ําแก้วใบนั้นนะฮะแก้วก็คือแก้วแก้วคือแก้วแต่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่นํามันใส่แก้วนั่น ทีนี้เมื่อเราสำรอกไอสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้หมดจิตมันก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์จถึงทว่าคือไอตัวตัวไม่ดีนั้นมันก็ยังมีอยู่ในโลกนี่แหละแต่มาเข้าไปปรุงแต่งจิตไม่ได้มันเข้าไปครอบงําจิตไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่จิตไม่ได้ที่เราเรียกว่าหลุดพ้นจากอารสวะคือเป็นพระอรหันต์ไปสังขารเหล่านี้ทรงแสดงว่าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวใช่ตัว โดยทรงให้เหตุผลว่าถ้าสังขารเป็นตัวเป็นตนแล้วสังขารก็จะไม่การเปลี่ย น, ปยนแปลงเช่นเราเมตตาเนี่ยเราเมตตาได้ตลอดเลยหรือเราส ง, งบเราส ง, งบได้ตลอดเนี่ยก็เปล่าทำไม่ได้เลยจะให้ส ง, งบสักสามนาทีก็เต็มทีนะสู้กันจะแยกเลยยังไม่ส ง, งบสักทีห่นี่ก็แสดงว่าเราบังคับมันไม่ได้มันเปลี่ยนก็มันด้วยมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยนี่คือลักษณะของอนัตตา ลักษณะของหน้าตานี้ต้องจำเอาไว้คือหมายกว้างว่าคล้ายๆกับม้าเป็นเครื่องวัดวัดอย่างงี้เป็นหน้าตาคือหนึ่งเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้แล้วก็สองตรงกันข้ามกับอัตตาซึ่งอธิบายมาในวันก่อนนะครับแล้วก็สามเมื่อย่อยออกไปแล้วมันก็ว่างมันก็ศูนย์ ย่งว่าพวกสังขารพวกอกุศลทั้งหลายเนี่ยอกุศลทั้งหลายที่จริงมันจะเกิดขึ้นมาจากองค์ประกอบนะสมมุติว่าเราโกรธเนี่ยสมมติเราโกรธเราจะเห็นว่าเราโกรธขึ้นมา ล, ลอยๆไม่ได้มันต้องมีองค์ประกอบคือเนื่งนิเชื้อภายในใจเราเนี่ยสำคัญเราต้องมีเชื่อความโกรธแล้วก็อารมณ์ที่มากระทบนั้นเรากําหนดเราไม่พอใจแล้วยังมีองค์ประกอบย่อยๆอีกเยอะแยะจึงจะกลายเป็นความโกรธขึ้นมาได้ ไม่ใช่วันนึงมันจะโกรธนะแต่ว่าองค์ประกอบนั้นมันมีสัมรองไว้แยะนะคนบางคนมันองค์ประกอบสำไรับเครื่องสัมรองไว้แยะเลยโกรธง่ายนะในความไม่ตรรกะนานต่างก็เหมือนกันตัวนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, รปรวนไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เมื่อย่อยมันก็ไม่มีอะไรก็ย่อยออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ทรงใช้คำสังขารทั้งหลายนะฮะัรงใช้สังขานทั้งหลา ย, นะาาาลายเพราะมันมีมากนักเก็ดในแง่ของจำนวนเรเรียกว่าเจตสิกกระทำภาษาจะยากหาคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตเมื่อกล่าวโดยสรุปก็เป็น5้าบสนะนับเป็น5้าบดวงก็ไม่ต้องไปนับแล้ตัวเฉพาะตัวเจตสิก มีห้ดวงแต่ว่าเป็นการจัดกลุ่มนะท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าถ้าเราจัดกลุ่มจริงๆมันก็ไม่มีอะไรกิเลสมันก็มีโรคกรดหลงเท่านั้นเองนอก น, นั้นมันกิ่งก้านสาขาของกิเลสจะเรียกจะชื่อยังไงก็เกาะกลุ่มเขาแล้วก็คือโรคปวดหลงแล้มีรากเดียก็คือรากกวิชาคอยกุศลความดีก็เหมือนกันมีรากอยู่ที่วิชาคือความรู้แสดงออกมาไม่โลคไม่ปวดไม่หลงแต่กิ่งก้านสาขาไปเยอะแยะหมแก็แล้ ว, วแต่จะนั้น อย่างยกตัวอย่างว่าเวทนาเนี่ยเวทนาที่ท่านนับเวทนาร้อยแปดทำไมท่านนับร้อยแปดก็เพราะว่าเวทนานั้นเรานับเอารวมถึงอดีตเวทนามันมีห น, นะฮะมีหคือตามตามประสาสัมผัสเนี่ยเช่นจกักรุสัมผัสชาเวทนานะความสะเวย อ, อารมณ์เพราะจากสู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็สรุปแล้วก็ตามปัจจัยนะฮะตามตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็ตามปัจจัยที่ให้เกิดเวทนามีรูปเสียงกลิ่นรสผุ陀พระธรรมารุนับเป็นอดีตนับเป็นอดีตนับเป็นอนาคตนับเป็นปัจจุบันแล้วก็มรคูณกับตันหาอะไรรว่ากันไปเป็นร้อยแปก็นับกันอย่างนั้นแต่สรุปแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็คือกิเลสกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองการนับนั้นเป็นการนับให้ละเอียดออกไปก็สมบจำๆนั้น ทีนี้ในตอนต่อไปก็สรงแสดงวิญญาณวิญญาณก็เหมือนกันทรงใช้สูตรเดียวกันหมดเลยเปลี่ยนเฉพาะตัวประธานของประโยคประดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าวิญญาณจากเป็นอัตตาตัวตนแล้ววิญญาณจะไม่เป็นไปเพื่ออภาธและสัตว์ทั้งหลายจะได้ในวิญญาณ น, นั้นตามใจหวังว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอวิญญาณของเราจะได้เป็นอย่างนั้นได้ แต่เพราะวิญญาณเป็นนัตตาสัตว์จึงไม่อาจจะตั้งความวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออภัยคือมีความเปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, รปรวนไปตามเหตุตามปัจจัยเท่ั้นแหละและสัตว์ก็ไม่อาจจะตั้งความหวังว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดจะได้เป็นอย่างนั้นได้ <c oughs> เหมือนกันใช่ <c oughs> ใช้รูปประโยคเหมือนกันแต่คําว่าวิญญาณในขันห้านั้นหมายเอาความรู้ที่เกิดขึ้นทางประสาทสัมผัสนะฮะ วิญญาณในขันหหมายความรู้ที่เกิดขึ้นทางประสาทสัมผัสเราก็กลายเป็นวิญญาณหเรียกว่าจักปุวิญญาณความรู้ทางตาคือรู้รูปทางตาเราเรียกวิญญาณวิญญาณก็คือความรู้วิเศษหรือความรู้แจ้งก็มีคำสองคาวิการยาธาตุวิเศษหรือรู้วิเศษหรือรู้แจ้งแจ้งในเรื่องเหล่านั้นโสตวิญญาณก็รู้เสียงทางหูคานาวิญญาณก็รู้กลิ่นทางจมูกชิวหาวิญญาณก็รู้รสทางนิ่ง คือตัวประสาทลิ้นในแง่ของศาสนานั้นเราถือว่าเป็นประสาทมันไม่ใช่เป็นตัวรู้ฮะแต่ว่าเป็นตัวเหตุให้รู้ถ้าขาดประสาทลิ้นเราก็ไม่รู้รถเพราะว่าทางรู้ของจิตในสายนั้นมันดับหรือว่ากายวิญญาณนะฮะประสาทกายตัวกายประสาทเองนั้นไม่ใช่เป็นตัวรู้เพราะกายประสาทเป็นเป็นก็อย่างที่มาเคยบอกนะบอกว่า ตอนเราต า, ายกายยาประสาทมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าจิตมันไม่มีเลยไม่รู้อะไรนะประสาทหูก็ยังมียังไม่ดับประสาทหูประสาทตาประสาท จ, จ, จมูกมันก็รู้ทั้งหมดมันก็มีทั้งหมดแต่มันไม่รู้เนื่องจากมันไม่มีวิญญาณไม่มีจิตไม่ใช่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีวิญญาณตอนนั้นก็เรียกไม่มีจิตมันจึงไม่รู้แล้วจนถึงก็มโนวิญญาณความรู้ทางใจก็สรุปแล้วว่าบิญเป็นวิญญาณหก แต่วิญญาณ น, นี้แปลกนะฮะแทนที่ท่านจะนับว่าเป็นวิญญาณร้อยแปวิญญาณพ5นหอะไรอย่างนับพวกอนะื่นแต่ส่วนมากจะนับลงร้อยแปดะครแต่ไม่นับนะนับใช้คําว่าอนั น, นตังวิญญาณังวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เพราะนั้นคำว่าอนั น, นตังวิญญาณังนั้นก็ไม่ได้หมายถึงวิญญาณทางทางนี้แต่มันหมายถึงตัวจิตหมายตัวจิตซึ่งเราจะจะเห็นได้ว่าขันห้านั้นโดยสรุปแล้วก็คือกายกับจิต รูปนั้นก็คือกายนะฮะเวทนาคือจิตที่ทำหน้าที่สเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สัญญาคือจิตที่จำเรื่องต่างๆสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตคือเกิดร่วมอยู่กับจิตแต่มันแยกกันไม่ออกใต้สังขารไม่มีจิตมันก็ไม่มีแล้วก็วิญญาณก็คือจิตที่ทำหน้าที่รับรู้ทางประสาทสัมผัสตกลงว่าไอ้สามอย่างนี้คืองานของจิต เวลาเราเรียกกายเราเรียกรูปกับ น, นามบ้างเรียกกายกับจิตบ้างนะเรียกกายกับจิตบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าสรุปแล้วก็คือขันทั้งห้านี่เองวัตถุทั้งหลายในโลกนี้เราจะเห็นว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่ในพวกกองรูปกองรูปเปือนมากที่สุดอะไรภูเขาต้นไม้ก้อนหินก้อนขวดมันรูปทั้งหมดสิ่งที่ เราสามารถได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกริ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายนี่มันพวกรูปทั้งหมดลและสิ่งที่เรารู้ได้ใจก็คือนามอย่างที่บอกนี่เป็นกฎเกณฑ์ที่จําง่ายที่สุดโดยไม่ต้องคลองแล้วเราก็เข้าใจด้วยเวลาประสบกับสิ่งเหล่านั้นเราตัดสินเราได้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนา้ำในช่วงแรกก็ส่งแสดงไล่ไปตามลําดับกัน พอช่วงที่สองนี้เป็นการสอบไล่ใหญ่ครั้งแรกในรุทธศาสนาเลยพระพุทธเจ้ารับสั่งถามนะฮะแต่เนื่องจากได้ได้บอ ก, กษณปรูปเวท น, า, นาตัณฐาท่างการมิอย่างมาโดยละเอียดแล้วตอนนี้มาจะใช้คำขันห้าไปเลยเพื่อสรุปให้มันมันสั้นก็นหน่อยกิใช้คำขันห้าซึ่งท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่าหมายถึงทงห้าอย่างก็ทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจากสําคัญความข้อนี้เป็นอย่างไรเธอเข้าใจเรื่องนี้เป็นยังไงพูดง่ายๆน ะ, ะขันห้านี้เที่ยงไหมเที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระสูปัญจวคีรีก็กราบทูลว่าไม่เที่ยงหรวพุทธเจ้าค่ะต่อปากเปล่ากันนะฮะให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตนะว่าพระสูทรทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยตั้งแต่ทำมาจากอย่าลืมาพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่สองพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดเรื่องไม่เที่ยงเลยนะ พระเจ้าไม่เคยพูดเรื่องไม่เชี่ยแล้วก็ไม่เคยพูดเรื่องเป็นเรื่องเป็นทุกข์ได้มีนะในหลักออธรรมจักรกัปตันสุตรนในแต่ทําไมท่านปัญญากคีจึงวินิจฉัยได้เพราะว่าตัวที่เราเรียกปัญญาจักสุคื อ, ค, อคือธรรมจักรสุเนี่ยมันเกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาหรื อ, อแสดงให้เห็นว่าท่านเห็นไตรลักษณ์ในเรื่องเหล่านั้นนะ เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นหน้าตาในใ น, ในสรรพสิ่งนะในสัรพสิ่งอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันก็ต้องแตกดับเป็นธรรมดาและรับสั่งว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าปัญจวัคคีย์ก็กล่าวทูลว่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้ารับสังถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา เป็นการสมควรไหมที่เราจะไปยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราพระภิกษุปัญจพคีก็กราบทูลว่าโนเหตังปันเตไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าครับก็นี่มีประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจอยู่สำคัญสำคัญก็หกประเด็นนะห้าประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าอนิจจังคือความไม่เช่อ ความไม่เที่ยงถือว่าเป็นมันมันมีมาสเป็นตัวกําหนดเป็นตัววัดในสิ่งต่างๆลักษณะของความไม่เที่ยงที่ทั่วทไปนะฮะคือบางทีท่านแสดงมาตั้ง20่กว่าอย่างเอาสักสอย่างจะจำเป็น ง, ง่ายเอาสักสอย่างแล้วก็ท่านใชท้ทั่วท่วไปคือหนึ่งสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะแกเกิดขึ้นแล้วแกจะต้องเสื่อมแล้วก็ดับ ไม่ว่าอะไรก็ตามลองสังเกตดูนะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ทีนี้บางทีนี่เราเรามองเรามองไม่ค่อยเห็นนะเพราะอะไรเพราะการเวลามันขั้นเอาไว้การเวลามันขั้นถ้าเราถ้าเราตัดการเวลาออกจากจุดเกิดถึงจุดดับมันก็ไม่ได้ห่างกันอะไรทั้งนั้นอย่างที่เคยเล่าถึงพระพุทธเจ้าโปรด พระญาติของพระองค์สาวๆสามสามองค์นะฮะคือพระรูปปันนันธาน้องสาวพระนันธานหลานสาวแล้วตาพิรูปปันนันธานหลานสาววันนี้สวยๆตรง น, นั้นแล้วหลมรูปตัวเองตรงนั้นเลยบวชเป็นภิกษุณีโกนหัวล้านและยังสวยอยู่นั้นไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมรับความจริงพระเจ้าใช้วิธีนิมิตเป็นรูปผู้หญิงผู้หญิงสวยมากเสวยกว่าท่านทั้งนั้นทั้งสามรูปเนี่ย แล้วก็พอท่านติดใจในรูปพระเจ้าตัดการออกนะคือหมายความไม่ให้มีการจากรูปที่สาวสิ้าสิบหกนี้รวดๆๆลงมาเป็นร้อยีสิบปีเลยลงอย่างเร็วเลยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากไงนี่ก็คืออะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่มันดับไปเร็วดับไปเร็วเวลาสอนจึงสอนโดยอุปมามักจะทรงใช้อุปมาให้ดูคือดูรูปให้เห็นมันลาบากอะ บางทีก็มีเครื่องจมองจำอางเข้าไปปกปิดไว้กําเลยดูไม่เคยแก่อะไรก็ให้ดูเหมือนกับฟองน้ำปุจจ่าให้ดูรูปแบบฟองน้ําให้ดูเวทนาเหมือนกับตอมน้ํานะจะเห็นว่าเวทนามันเสื่อมเร็วกว่าตอมน้ำในมันเสื่อมเร็วกว่าฟองน้ําให้ดูสัญญาเหมือนกับพยับแดดความจําก็รอในเหมือนกับพยับแดดมันพันภาพหลวงตาแต่ว่า ปัจจุบันนี้คือพูดพยับแดดรู้สึกคุณพูดยากอากาศมันมันไม่ค่อยเดียวเลยมาเปลี่ยนใหม่เป็นเป็นคล้ายๆไอ้เง า, า, า, า, ามันมาเมื่อมที่ที่บนถนนเวลาจะเห็นว่าเรามองไปข้างหน้าเวลาแดดร้อนเนี่ยเรามองเห็นถนนเป็นเป็นมันนะแต่ไม่เคยถึงสักทีรถขับไปถึงแล้วบางก็ขลุกเกล็กขกเกล็กอยงนั้นภาพเหล่านั้นเป็นภาพไม่มีอยู่จริงพยับแดดมีลักษณะอย่างงั้นพยับแดด เรามองเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะเวลาแดดร้อนจัดเราเดินกลางทุ่งเหน็นเป็นรูปเป็นร่างเดินไปเถอะไม่ถึงอนะลักษณะ ส, สัญญาเป็นอย่างไงสังขารนั้นทรงอุ ป, ปมาเหมือนกอกกล้วยกอกล้วยกอนหนึ่งเราปอกกาบออกแล้วหากอกล้วยไม่เจอมีแต่กากกล้วยกาบกล้วเองย่อยๆเข้าไปไม่เหลืออะไรเลยวิญญาณนั้นทรงอุ ป, ปมาเหมือนภาพมายาหรือพวกนักมายากลทั้งหลายเนี่ยนะจริงไม่จริงจริงไม่จริงที่จริงโกหกนะ ภาพมายาทั้งหลายพวกมายากลทั้งหลายมันโกหกตอนนั้นนะปัญหาเราจับมันไม่ได้มันฝึกมาจํานานแต่ตัวเขาเองเขารู้ว่าเขาโกหกแล้วเขาก็บอกนะว่าเขาโกหกแต่เราจับเขาไม่ได้วิญญาณมีลักษณะเป็นภาพมายาอย่างว่ารูปที่เราเห็นนะฮะยกตัวอย่างว่าสมมติว่ารูปเนี้ยเราเห็นว่าสวยสวยจริงไหมฮะเอาคนมาสิบคนมามองดูเนี่ยไม่สวย บางคนก็เฉยๆบางคนก็อาจจะว่าสวยบางคนก็ติตรงนั้นติตรงนี้บางคนก็สวยหมดแสดงว่าภาพนั้นเป็นภาพไม่จริงเป็นภาพไม่จริงรสาหารนี้อร่อยคนนี้บอกอร่อยเอามากินกันหลายคนไม่อร่อยคนนั้นขอเติมน้ําส้มคนนั้นขอเติมน้ําปลาคนนั้นขอเติมซอสอร่อยแล้วทาไมเติมหนยมันไม่จริงอ่ะมันไม่อร่อยจริงมันไม่สวยจริงอาเสียงนั้นไพเราะไพเราะจริงป่ะก็ไม่จริงอย่างฮะไม่จริงอีก บางคนร้องเพลงเสียงยังก็ปีแตกมันก็ขายแผ่นเสียงได้คนชอบมีคนพวกหนึ่งว่าไพเราะคนอื่นคนบางคนต้งฟังไม่ได้นี่คือมันมายาทั้งหมดเลยมันเป็นภาพมายาเป็นภาพลวงตาทั้งหมดเลยมันไม่มีความจริงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเป็นแต่ภาพหลอนภาพลวงมันก็ขึ้นอยู่กับใจเรากาหนดนะครับใจเราไปไปกาหนดเอาไว้ก่อนพื้นใจของเรามีการกาหนดยังไง รูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องนะซึ่งวิญญาณจะเรียกวิญญาณแต่กีนนะเราจะเห็นว่าคือภาพมายาทั้งหมดมันไม่มีอยู่ด้วยตัวของมันเองอาตมาอ่นานวรรณคาดีที่เขาพรฒ น, นาความงามอะไรมาคําคือวันนั่งดูนะฮะคนไทยเรานี่ไม่มีอิสระในความในความคิดตัวเองแม้พรฒนาความงามของผู้หญิงนะฮะ เอาผู้หญิงแขกมาวัฒ น, น า, ามาไปสอนให้นักเรียนฟังดูนะครับอะไรนะเจ้างามพักเพียงจันทร์บุหลังฉายนี่อาจารย์ที่สอนภาษาไทยก่อนนึนกออกหน้าเหมือนดวงจันทนะครูกระจังหนักมันหน้ามันดวงจันทในครุกระจังเจ้างามเนตรดังหนึ่งในตาสายตามันตากว่างยังพอฟังได้นะ งามขนมปงละไม้คันสอนส่งคิ้วเหมือนคันสอนนึกดูรูปร่างเป็นยังไงเหมือนงิ้วเหมันเหมือนอะไรคิ้วเหมือนคันสอนจะงามนาสายย์ดังกลขอจมูกเหมือนของงอาจารจะเห็นว่ามันก็แปลกนะคนไทยเราไม่มีอิสระในด้านความคิดตัวเองจะงามสอดังคอสุวรรณหงองคอยาวเหยียดหรือเบือนหงอ เจ้างามการดังกรีบุดเสบงขูมันก็ดอกบัวนึกไม่ออกมันหูอะไรหูหมูหรือหูอะไรนะฮะเจ้างามวงนาร่เรียบระเบียบรออะไรแต่อะไรนี่มาอ่านนั่งขำขเอ้ไอคนไทยเนี่ยไม่มีอิสระในความคิดน่มันก็สวยได้ยังไงลองเขียนขึ้นมาดูรูปอย่างนั้นน่มันก็เหมือนกับอะไรอะนางนางอะไรอะของแต่ท้าระดิลนันได้มันจะลักษณะอย่างนั้น นีค่คือมันมันมันก็เป็นเป็นภาพลวงนะฮะเป็นภาพลวงซ้าซ้อนมันเป็นวิญญาณลวงดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนแบบอุปมาให้เราดูว่าพวกนี้มันเหมือนกับภาพมายาเป็นภาพลวงตาเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรจริงสักอย่างแล้วก็ประการที่สองนั้นจึงไม่เที่ยงนะฮะคือเนินเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปประการที่สองนั้นมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยฮะเปลี่ยนดีขึ้นหรือว่าเรวลงอะไรก็ตามมันเปลี่ยนกับมันเรื่อยเราดูง่ายๆอย่างเนี้ยอย่างสุกเวทนานั่งใหม่มันก็เป็นสุขพอ nang เวนาก็เหนื่อยก็เป็นทุกข์ละหนักขึ้นมากมันก็เหื่อยมากพอพลิกกลับก็เริ่มเป็นสุขอีกแล้วนะพลิกกลับอีกทีเป็นสุขอีกแล้วแล้วก็เป็นทุกข์อีกแล้วพลิกกลับอีกทีก็เป็นสุขอีกแล้วเนี้ยมันมันมันมันก็มันก็เปลี่ยนอยู่ตลอดนฮะทางสุขทางทุกข์เนี่ย มันไม่ได้ดำรงคงอยู่เราดูที่เวทนาง่ายๆนะแล้วไอ้ตัวความจำในี่เราเห็นได้ชัดอีกความจํายิ่งคนแก่แล้วเห็นได้ชัดเลย ไ, ไม่เที่ยงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยแหมฟังเทศไปแจวเลยอ้าวันนี้พระเทศดีพอออกไปถึงนอกบทถ์บอกเพื่อนมาวันนี้พระเทศดีเพื่อนถามเทศเรื่อ ง, งลืมหมดละสัญญามันไม่เที่ยงไงขนาดเรายังบอกได้ว่าพระเทศดีนะออกไปถึงลืมหมดแล้วเรียบร้อยไป นี่คือสัญญามันมีลักษณะเป็นพยับแดดมีลักษณะเป็นพยับแดดแล้วมันความเปลี่ยนแปลงเร็วมากเปลี่ยนแปลงเร็วมากประการที่ 2-3 ส, สนะฮะคือตั้งอยู่เพียงชั่วขณะเท่านั้นเองดำรงอยู่ได้เพียงชั่วขณะแตค่คำว่าขณะนี้ท่านตั้งหลายจะเห็นว่ามันก็ขึ้นอยู่กับขณะของอะไรคือปัจจัยที่เข้ามาประกอบให้เป็นสิ่งนั้นขึ้นมาเนี่ยมันแตกต่างกัน เราจะเห็นว่าไอ้พวกขณะของออพวกแตงพวกอะไรเนี่ยประกาศกละลำปลีเนี่ยมันน้อ ย, อยมันองค์ประกอบมันน้อยแต่ขณะของพริกมะเขือมันก็นานกว่าไอ้พวกกระําปรีพวกแตงผู้ต้นไม้มันก็นานกว่าแต่สรุปแล้วพวกนี้ดับหมดเลยต่อไปนี้มันตายทั้งหมดการดํารงอยู่ของมันมันเป็นการดํารงอยู่ได้เพียงชั่วงณะ อย่างที่เคยอุปมาไว้บ่อยๆนะว่าเหมือนกับขณะของกระแสไฟเนี่ยมันให้สว่างเป็นขณะขณะแล้วมันก็ดับดับดับดับดับเรื่อยเลยนี่อย่างนักเรียนนี่เรียนวิทยาศาสตร์มารู้ดีว่าอันเนี้ยมันก็ดับอยู่ตลอดแล้วประการต่อไปก็คือตรงกันข้ามกับสภาวะที่เที่ยงตรงกันข้ามกับสิ่งที่เที่ยงสิ่งที่เที่ยงที่ว่านั้นหมายความมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย ลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะที่เพ้อฝันนะแต่มันมีภาวะอย่างหนึ่งคือที่ททเที่ยงในแก่พรนิพพานเที่ยงนะฮะพระนิพพานนี้เที่ยงคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดลดลดอีกแล้วเท่านั้นนิพพานจึงเป็นสุขเป็นเที่ยงแล้วก็เป็นแต่ว่าเป็นอนัตตานะเป็นนัตตาไม่ใช่เป็นนัตตาก็จึงตรงกันข้ามกับใจรักใจรักนั้นเป็นทุกข์ ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาพระนิพพานนั้นเที่ยงเป็นสุขและเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเหมือนกันก็ใจรักไปคุมไปคุมไปถึงพระนิะพพานเฉพาะอนัตตาแต่ในกรณีที่ว่างนะฮะประเด็นเดียวประเด็นที่ว่างที่เราได้ยินได้ฟังภาษีตว่านิพพานังประมังสุญญ์อย่างนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่ง ข้อต่อไปก็คือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าครับสัง่งถามทิงสุปัญญวคีก็กราบทูลว่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าคําคว่าทุกทุกบางทีเราแปลว่าเคี้ยวกินสุขนะทุกคือสิ่งที่เเคียยกินความสุขหมายความว่าเวลาทุกมันเกิดและความสุขมันหมดอะถ้าความสุขยังอยู่เราก็ไม่ทุกแต่ว่าสุขเขาก็แปลว่าเคียยกินทุกเหมือนกันนะ คือหมายความว่าเวลาแกแกเกิดความทุกข์ก็หายลักษณะที่เราเห็นได้ชัดก็คือมืดกับสว่างนะแกจะไม่อยู่ร่วมกันในขณะเดียวกันในจุดเดียวกันถ้ามืดก็สว่างถ้าสว่างก็ไม่มืดลักษณะความทุกข์ที่พึงกำหนดก็คืออย่าลืมว่าอันนี้เรีย ก, นะกว่าทุกขานะฮะทุกขะตาคำวทุกขะตานั้นคือความเป็นทุกหมายถึงว่าสับปะสิ่งแล้วก็สั ร, รสัตว์ จะเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยอยู่ในเงื่อนไขของทุกขตาทั้งหมดแต่ถ้าว่าทุกข์ในอริยสัจนี้หมายถึงสรรพสัตจท่านั่นเองไม่ได้หมายถึงสรรพสิ่งเพราะทุกข์นั้นจะต้องมีผู้เสวยนะมีความเดือดร้อนมีความไม่สบายกายไม่สบายใจอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ก้อนหินก้อนก้อนกรวดแกไม่มีตัวเสวยแต่แกก็ทุกข์ฮะเพราะว่าองค์ประกอบของมาตรในการกําหนดทุกข์นี้คือหนึ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุปจัจจัย ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นได้โดยลำพังแต่ละอย่างนั้นมันเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยทั้งหมดยกตัวอย่างว่ารูปเรานี่รูปเรามันก็องประกอบบางแยะมีดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณนะนี่องค์ประกอบหลักแต่องค์ประกอบเหล่านี้จะเห็นว่าพออะไรมันยิ่งมันหย่อนสมมติว่าธาตุไฟมันเกิดแรงธาตุลมมันหย่อนนะฮะป่วยเลยพอลมหย่อนไฟแรงก็เหมือนกันนะฮหรือว่าธาตุดินไม่ปกติธาตุน้ำไม่ปกติอะไรแต่อะไรมันมันมันวิ ป, ปริตไปหมดอนะ คุมการเป็นธาตุแบบคุมการเป็นร่างกายเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่แม้แต่ว่าหากว่าไอองประกอบที่หลักๆมันเกิดเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ทําให้ร่างกายชีวิตตัวทุกคุณภาพพิการไปหรือว่าเจ็บไายได้ป่วยไปภูเขาต้นไม้สัตว์สิ่งของเวทนาหรือวิญญาณยกตัวอย่างวิญญาณความรู้ง่ายๆนะฮะวิญญาณเนี่ยสมมุติว่าความรู้ทางตาเอาตัวอย่างว่าความรู้ทางตาเนี่ยเราเห็นว่ามันเนเกิดขึ้น ล, ยลอยๆไม่ได้เลย มันอย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบเนี่ยเบาๆก็สี่อย่างคือหนึ่งเราต้องมีตานะเราต้องมีตาแล้วก็สองต้องมีรูปผ่านเข้ามาในวิสัยที่เราเห็นได้ไม่ไกลจนจนมองไม่เห็นแต่ไม่ใกล้จนชนตานะชนตาก็มองไม่เห็นเหมือนกันต้องมีช่องว่างคือมีแสงสว่างมีสามอย่างแล้วเราต้องสนใจนะฮะเราต้องสนใจคือใจเราจะต้อง เรียกม น, นาัิการคือสนใจในเรื่องเหล่านั้นจึงจะเกิดเป็นจักขุอิน ญ, ญาณขึ้นมาได้ความรู้ทางตาขึ้นมานะ้ทีนี้สมมุติมันขาดสักอย่างตาบอดเนี่ยก็จบแล้วหรือครอบสามอย่างเลยมีรูปมีแสงสว่างเราก็มีตาแต่เราไม่สนใจไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นเหมือนกันตกลงว่าไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในเหตุปัจจัยทั้งหมดนี่ประเด็นที่สําคัญที่จะต้องช่วยกันชี้แจงให้คนบางคนที่ไม่ค่อยเข้าใจนะฮะ คือกบอกพระพุทธศาสนาเป็นทุกนิยมมองอะไรในแง่ร้ายมองโลกในแง่ร้ายมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราไม่เข้าใจคําว่าทุกเองคําว่าทุกข์บางอย่างเราไม่ได้หมายถึงว่าเออเป็นแง่ร้ายอะไรมันมันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยตนต่สิ่งอะไรก็ตามเมื่อเกิดมาจากเหตุปัจจัยไม่ได้ลำพังตัวมันเองแล้วก็สิ่งนั้นเป็นทุกทั้งหมดเพราะงั้นน้าเองก็เป็นทุกภูเขาต้นไม้เป็นทุกหมด เป็ทุกเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยลําพังของมันทีนี้ในประเด็นต่อไปก็คือว่ารักษาสภาพเดิมของมันไว้ไม่ได้รักษาสภาพเดิมไว้ไม่ได้เรายกตัวอย่างว่ารูปเราเนี่ยเรารักษาสภาพเดิมไม่ได้มันก็มีเปลี่ยนแปลงมาด้วยแต่เราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไอ้สภาพเดิมสภาพเดิมที่เราชอบนั้นคือตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่ชักชอบมาก พอเริ่มแก่ก็ชักไม่ชอบอีตอนเป็นเด็กก็ไม่ชอบนะอยากจะโตเร็วพอ ว, วันที่หนึ่งขึ้นวันที่หนึ่งมกราขึ้นแล้วนับอายุใหม่แล้วจะได้โตเร็วๆหน่อยแต่พออายุมากเข้าพอเริ่มแก่เห็นว่าแก่แล้วถึงวันเกิดแล้วยังไม่ยอมนับยังไม่ยอมนับคือแม้จะเลยวันเกิดรักสิบเอ็ดเดือนแล้วก็กว่าๆไว้ก่อนนะเอากว่าๆไว้ก่อนคือเราไม่ค่อยชอบอะไรเรื่องแก่ๆ เรื่องแก่ๆเนี่ยเราไม่ค่อยชอบแต่นี่คือแสดงเห็นว่าอะไรแสดงว่ามันไม่ไม่มีอะไรรักษาสภาพเดิมเข้ามันไว้ได้มันเปลี่ยนเข้ามันด้วยแล้วประการต่อไปก็คือมีการเบียดเบียนนะมีการเบียดเบียนเวลาเกิดขึ้นมานี่เราเห็นได้ชัดเส้นสมมุติว่าไอ้ทุกขเวทนานั่งขึ้นมาปวดเนี่ยทุกขเวทนาได้เกิดขึ้นมาปวดมันก็เบียดเบียนความสุขของเราเบียดเบียนความสงบของเราความสบายมันเบียดเบียนเข้ามันด้วย ต่อไปก็คือเล่าร้อนนะมีความเล่าร้อนบังเกิดขึ้นอันนี้ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจที่เราเห็นได้ชัดๆคือไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็ทรงแสดงว่าสิ่งใดเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะฮะสงยามสองอย่างสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาประเด็นนี้ทรงชี้เฉพาะแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นการสมควรไหมที่จะไปยึดถือว่าเป็นของเรา ว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราภิกษุปัญจภคีก็กราบถุนว่าไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะความยึดถือในที่นี้บาลีท่านใช้คําว่ากาหะแต่ท่านไม่ต้องไปติดใจนะฮะเพราะว่าบางแห่งก็ใช้อุปาทานบางแห่งก็เรียกกาหะนักมันเยอะแยะจะเอาเสียว่าความยึดถือยึดถือว่าว่าเป็นของเรานั้นเรายึดถือด้วยอํานาจของตัณหาความเยื่อใหญ่ความรักนะฮะเราจะเห็นว่าของเรานี่เราจะยึดยึดถือด้วยด้วยความรัก คมรักความพอใจความยินดีในสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่แน่บางทีพลิกกลับอีกด้านหนึ่งฮะคือศัตรูของเราก็ยึดถือเหมือนกันแต่ตามปกติจะมุ่งไปที่เป็นเราเป็นของเราไม่ใช่เป็นเรานะฮะเป็นของเราลักษณะของตันหาคือความยึดถือนี้เราจะเห็นได้ว่าใครมีตันหามากฮะความยึดถือจะมากยึดถือเยอะแยะหมดเลยดังนั้นเวลากระจายตันหาท่านจึงกระจายเป็นร้อยแป กระจายไปแยะเย่ยทำไมจึงเป็นตัณหาร้อยแปดอะท่านลองนึกดูนะฮะสมมติว่าการรมตัณหาเนี่ยกรมตัณหาก็คือจิตที่ดิ้นรนทะเยอทยานอยากในอะไรในสิ่งที่เป็นรูปนะฮะเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนออนแข็งที่เรียกผลต้ังปะแล้วก็เป็นอารมณ์มีหกอย่างหนกะอย่างเนี่ยมันทายไปอยากได้ในอดีตส่วนมากคนแก่ๆเนะี่ยอยากกลับไปสู่อดีตนะมาถ้ายังเป็นหนุ่มนะ พัฒสมัยฉันเป็นหนุ่มอย่างงั้นอย่างนี้ก็ว่าไปเรื่อยส่วนมากเราจะคว้าอาดีตคาอาดีตเพราะงั้นตั้หาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผุตระพงในอารมณ์ที่เป็นอดีตให้ลองสังเกตฮะเราจะคว้าอาดีตแล้วเวลาเราคุยอะไรกับคนแก่ส่วนมากก็พูดไปพูดมาโอ้ยสมัยฉันเป็นเด็กคือจะกลับอย่างนั้นเพราะว่าความจําในปัจจุบันัไม่ค่อยดีอนาคตก็ไม่ค่อยหน้าพิรมยินดีเพราะงั้นจึงเล่าอาดีตแล้วพอดีเด็กมันไม่ค่อยรู้ด้วยเราเล่าสบายมาก โไปบ้างอะไรไปบ้างบ้างอะไตันหาในอดีตเนี่ยก็ทําให้เกิดเป็นตันหาขึ้นอีก6คือรูปเสียงกลิ่นรสโภตาภ า, านในอดีตเนี่ยเป็น6เฉพาะกามาตันหานะฮะเฉพาะกามาตันหาเพราะงั้นในปัจจุบันเนี่ยอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสจะโภตาภ า, านในปัจจุบันนี่ก็6แล้วกออ็อยากได้ในอดีต6แล้วก็อยากได้ในอนาคต ต้องการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอนาคตก็คือต้องการในต้องการสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผตรวะเป็นอารมณ์ในอนาคตต้องการดีๆฮะเป็นการดีๆทั้งเอ่อ ى, อนาคตนี่คนหนุ่มคนสาวไปมากกว่าคนแก่นะฮะต้องการอย่างนั้นอย่างนี้อยากใหญ่อยากโตอย่างนั้นอย่างนี้คนหนุ่มคนสาวนี่ต้องการมากกว่าคนแก่แต่สรุปว่าคนแก่ก็ต้องการไม่ใช่ ไม่ต้องการเช่นอาจจะต้องการให้ลูกหลานพร้อมหน้ากันให้มีความสุขตายไปเกิดในสวัร์เป็นตันหาดังนั้นนะเป็นตานหาเรียบร้อยไปแล้วเอ่อทีนี้เราจะเห็นว่าพอการมาตานหามันก็มันก็เป็นอดีต6กเป็นปัจจุบันหกเป็นอนาคตหกรวมแล้วอะไรหกสามสิบพอพระวัตัตหาเก้าอีกฮะต้องการความเป็นะความทะเยอทยานอยากในความเป็นต่างๆ ความเป็นก็คือเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน้นอะไรเป็นใหญ่เป็นโตเป็นก็แล้วแต่จะเป็นนะแล้วแต่ใครจะอยากจนถึงอยากเป็นเทพบุตรเป็นเทพทิดาไปเลยมันก็คขว่คว้าทางอดีตอนาคตปัจจุบันอีกแหละโอ้ยถ้าสมัยฉันยังทํางานยังนี่นี่นี่คนแก่ว่าฉันไม่ปล่อยไว้อย่างนี้นี่นนี่ก็คืออยากย้อนอดีทย้อนอนาคตต่อไปนะถ้าฉันได้มีอํานาจละฉันจะต้องจัดการปัญหาเหล่านี้ให้ได้ นี้ความนาคตมันก็มันก็คือภาวะตันหาภาวะตันหามันก็แบ่งเป็นสามการนี่กมีภาวะตันหาคือความไม่ต้องการม่ไม่ต้องการเป็นต่างๆคือว่าชิงชังเราจะเห็นว่าบางอย่างในเราชิงชังล่วงหน้าผ่านบ้านสมมุติว่าคนแก่ในผ่านบ้านบางแฉเนี่ยว่าต่อไปในป้ามาอยู่นี้เอาไมา้อุ้ยฉันไม่เอาฮะปฏิเสธล่วงหน้ามันยังไม่เกิดเราปฏิเสธล่วงหน้าแล้วนี่ก็คือคือวิภาวะตันหาที่ในอนาคต อดีตบางอย่างเราก็ปฏิเสธเราก็ไม่ชอบไม่ยินดีในอดีตบางอย่างให้ลองดูว่าอาดีต ท, ที่นามาเล่านั้นจะเป็นอดีต ท, ที่ดีๆทั้งนั้นนะยิ่งอัตชีวประวัติอะไรต่างๆแล้วไม่มีใครก็เล่าเรื่องไม่ดีใครไปขืนแผลงไปเล่าเรื่องไม่ดีเขาเพื่อนเขาตาหนิอะไราำไปเรื่องอดีตเนี่ยท่านาศาสนาสุพลแจกวัดมกุฎกษัตริยารามท่าน ท่า น, นแต่งเป็นคำกลอ น, นรท่านบอกว่านิสัยควายแล้วมิวายจะบทเอื้องคนรื้อเรื่องอจีต่างมาตั้งขานพิรีพิไรไม่รู้จบงบประมาณก็เปรียบปานเหมือนควายนะ่าอายนานคืออะไรก็อดีตอะไรก็อดีตอดีตนั้นมันเป็นบทเรียนแต่ว่ามันมันมันมั น, ม, นมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปแล้วมันได้เฉพาะเป็นบทเรียนเท่านั้นเองยังเราจะเห็นว่า บางอย่างเนี่ยในปัจจุบันเองนี่เราชื่นชมเราชื่นชมเรื่องของอดีตแล้วก็ภาคภูมิอยู่กับอดีตในสำนวนโบราณเขาเรียกว่ากินบุญเก่ากินบุญเก่าในสำนวนสมัยรเจ้านางวิสาขาท่านพูดพ่อสามีของท่านว่าพ่อสามีของท่านกาลังกินบุญเก่าคือเพลิดเพลิอนอยู่กับความสุขสมบัติบุญบา ร, รมีที่ตัวได้ในอดีตแต่ว่าในปัจจุบันไม่ทอะไร ลักษณะกินบุญเก่านี้เป็นอันตรายมันคือรัฐบุรุษมหาบุรุษหรือบุรพาจารย์ปุญญาตายายเรานั้นท่านทำดีมาเยะแยะนะแต่เป็นยุคเป็นสมัยของท่านเราชื่นชมเราได้บทเรียนจากท่านแต่เราต้องปรับในปัจจุบันในแง่ของการดำรงชีวิตไม่ใช่ไปเพ้อฝันไปอ้างสมัยโบราณอยู่ด้ยอย่างการศึกษาของคณะสงฆ์นี่เราจะเห็นได้ชัดเลยการศึก ท่านนาสงเมื่อก่อนนี่นำหน้าชาวบ้านนะฮะชาวบ้านมองไม่เห็นหลังหลวงพอ่อนานๆมาชาวบ้านเดินมาไล่ท่ทนพระก็เดินเรืยเรียบร้อยอย่างนี้นว่างๆชาวบ้านก็เดินมาเคียงคุยกับหลวงพ่ออยู่พักทั้งแสงขึ้นหน้าปัจจุบนนันในชาวบ้านไปหายหลวงพ่อมองไม่เห็นหลังยังย่งเครมอยู่างนี้กัอดีต80ดสิกว่าปีมาแนละ้วเราก็เคลิ้มเคลมอย่างงี้มันจังมันอย่างอดีตอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะปรับปรุงแก้ไขอะไรนี่คือลักษณะกินบุญเก่า อะไรก็พูดนนท์สมเด็จประามาสมาณะนนท์ทันสิ้นไปชนไปตั้งมารุธอะไรน ะ, ระก็ยุคสมัยของท่านเป็นยุคคลองเนี่ยดีวิเศษแล้วแต่มาถึงยุคสมัยของเราเนี่ยเราจะลืมว่าเราจะต้องรับผิดชอบในสมเหมาะสมแก่ยุคแก่สมัยลักษณะเหล่านี้จึงเป็นการเพ้อฝันเป็นการกินบุญเกา่าประการหนึ่งนะฮะแต่เราเออกมาเป็นบทเรียนได้เป็นบทเรียนได้แต่ไม่จะไปอ้างบารมีของท่านให้มาช่วยเหลืออะไรนะ จะขอบารมีมาช่วยเราต้องอ า, อาศัยบารมีเราแล้วตอนเนี้ท่านนั้นได้แนะนําบทเรียนวิธีการทํางานไว้ให้ลักษณะของตัณหาจึงกระจายออกไปนะก็ลองนับดูนะฮะการมาตัณหาเป็นอดีต6เป็นปัจจุบันหกนาคโตรหเพราะว่าตัณหาก็เหมือนกันหรืว่าตัณหาก็เหมือนกันก็เสุดแล้วก็สามสิบหกเอาการมาคูนข้าวนะการมาคูณสามสิบหการสามนะอดีตการนาะคกการปัจจุบันการ ตัณหาในสามทุกก็เป็นร้อยแปดร้อยแปดนีเนเนเนเน่เป็นการมองที่ซึ้งละเอียดมากเลยนะ ม, อมองเห็นแล้วก็ท่านทั้งหลายอาจจะนั่งสมาธิดูวิเคราะห์จิตว่าเออเราไม่มีตัณหาครบทั้งสาการไหนะจะเห็นว่ามีครบนะมีครบทั้งสามการเรียบร้อยยังไม่หายไปไหนกันเท่าไหร่เลยมีอยู่พอสมควรนะครับเออนั่นคือการยึด ถ, ถือด้วยอํานาจของตัณหาที่เอตังมะมะของเราของเราของเราของเรา สมัยโบราณนั้นท่านยกอุปมาณนกชนิดหนึ่งชื่อว่านกไมหะกะไมยะกะไมหังนีแปลว่าของเรานะฮะถ้าสำนวนหลวงพ่อพุทธทาสก็ว่าอะไรของกูตัวกูของกูถ้าสำนวนหลวงพุทธทาสนะแต่เราพูดนิ่มๆก็ไมหังของเราของฉันอะไรเนี้ยของฉันของเราคือใครที่มีของเรามากเนี่ยคนนั้นจะทุกข์มากให้ลองดูนะฮะของเรามากแล้วก็ทุกข์มาก ใครมีบ้านเล็กบ้านน้อยมีสวนเกินมากความทุกข์ก็มากก็มีทรัพย์สมบัติมากมีกิจการงานมากทุกข์มนมากทั้งหนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าตัญหานะเป็นเหตุเกิดของทุกข์แล้วก็ลองดูที่ อ, อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงวางหลักได้วางหลักในการกุติของพระนี่เราเห็นได้ชัดกุติของพระ คือคือคือกำหนดให้มันแคบแคบที่จริงมันคุมตัณหาโดยโดยวัตถุโดยกุติเอากุติมาคุมตัณหาพระกุติไว้แคบนี่อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้ผลท้ายไม่มีที่วางกันเลกเลิกอยากเองไม่มีที่วางอยากได้ตู้อยากได้เตียงอยากได้อะไรก็อยากได้แต่จะวางตรงไหนอะและในในที่สุดมันก็บรรเทาความอยากไปเองนะพระพระพุทธเจ้าทรงมีวิธีคุมมาตั้งแต่กุติก็เพื่อคุมตัณหา คุมตัญหาพระพระเจ้าเองก็มีกุติแคบๆคุมตัญหาพระเอาไว้ได้เพื่อให้ลดไอ้ความเป็นของเราน้อยลงดังนั้นในการปฏิบัติกรรมฐานเองที่ทรงสอนให้ไปในที่ต่างๆที่โพนไม้ตามถ้าตามปูเขาตามลอมฟางกลางทุ่งนาใดๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้มันของเรามันน้อยลงพอของเราน้อยแล้วเราไม่ค่อยห่วงกังวลอะไร อย่างว่าโยมนั่งกรรมาฐานที่บ้านก็นั่งกรรมาฐานในวดัดโยมจะเห็นว่า อ, อของเรามันน้อยมันปิดกันที่บ้านในของเรามันแยะนั่งไม่ค่อยสงบอ่ปะปรเดี๋ยวลูกมันทะเลาะกันไอ้หน้าต่างปิดได้ยังเอ้ประเดี๋ยวไอ้ไ ป, ปลั๊กไฟถอดแล้วเปล่าไม่รูม่หรอของเรามันยุ่งหมดเลยนั่งไม่สมบงบอ่ะพอมาถึงวดัดมาในของเรามันน้อยลงแต่ไม่แน่นะบางทีก็แว๊บไ ป, ไปเอรถของเราเป็นไงไม่รู้ <laughs> เอาละสิทีน่นี้มันก็นั่งไม่สงบอีกเน เนี่ยของเรามันก็คว้าก็มันไปเรื่อยอย่างเงี้ยเอตังมามะคือของเราทต่เดี๋เห็นว่าพระพุทธเจ้าได้ยริงเน้นอยู่สามเรื่องเนี้มากที่สุดเลยแต่ทําไมเน้นมากฮะคือพูดไปพูดมาอย่างละกันไม่ได้มันละยากอจากที่บอกว่าตัณหานั้นเป็นสินเนหะคือเป็นยางเหนียวยางเหนียวมันตัดได้ยากมันละได้ยากแต่ถ้าเรามองเห็นเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นอนัตตาฮะทรงเริ่มมาที่อนัตตานะ แต่ว่าโดยทั่วทั่วทั่ว ท, ว ท, วทวไปนั้นจะเริ่มที่อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่รู้จะไปยึดถืออะไรว่าเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราทีแท้จริงแต่อย่าลืมว่านี้เป็นธรรมะชั้นปรมาทธรรมชั้นความจริงทีแท้จริงนะฮะคืออส่วนสมมติสัจจานั้นทุกอย่างที่เป็นสมมติ เราก็ยอมรับถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีปัญหาอะไรนั้นคืออีกหน้าที่หนึ่งอีกระดับหนึ่งแต่เราจะเห็นว่าแม้แต่เรานาไปปรับใช้ระดับนี้คือคื อ, ค, อคือเราไม่ถึงกับเห็นแจ้งจนละตัญหามันได้แต่ว่าอาศัยความเข้าใจถึงโทษของตัญหาโทษของกาหะคือความยึดถือด้วยอำนาจตัญหามาของเราของเรากับความรู้แจ้งในขันท่าห้า พอสมควรนะะในระดับใดระดับหนะึ่งเราจะสามารถปล่อยวางอะไรได้เ ใ, ในขณะที่ปฏิบัติปฏิบัติกันนะก็ปฏิบัติหน้าที่โดยความเกื้อกูลต่อกันเวลาเกิดความเปลี่ยนแปลงเราก็ยอมรับว่าเออสังขารมันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงมันธรรมดา ไ, ดไอ้ถ้าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยจะเป็นเรื่องที่แปลกอ่นะเพราะ ง, งั้นเวลาญาติพี่น้องตายไปหรือ ทราบสมบัติหายไปของมันเก่าไปแล้วก็เกิดไม่สบายเนี่ยอันนี้มันถ้าเราเห็นตายรักแล้วก็เอออันเนี้ยมันก็เป็นความจริงถ้าไม่ตายเลยจะเป็นเรื่องแปลกมันผพื้นความจริงไม่ไม่แต่ขัดไม่สูญสลายนี่มันคืนความจริงแต่นี้ก็คือความจริงอย่างที่เคยเคยยกตัวอย่างนางมาริกานะฮะนางมาริกาปัญญาของท่านพันธุระเสนาบดี ของเราท่านเยอะนะเขาบอกว่าท่านเกิดลูกแฝดหมดนะสิบหคู่สิบหกแฝดนะเกิดเด็ดขาดมากเลยถาลายสามสิบสองคนนะมีลูกสามสิบสองคนคือนางวิสาขานี่มีลูกยี่สิบนะฮะมีลูกยี่สิบมีหลานเท่าไหรล่ล่ะหลานสี่ร้อยอ่ะหลานสนะี่ร้อยเหรนแปดพันนั่นอะไเนี่ยของของของเยอะแย ะ, ะ, ะเออวันเดียวกันนะฮะวันเดียวกันในลูกชายสามสิบหกคนกับ สามีหนึ่งคนเป็นสามสิบเจ็ดคนถูกฆ่าตายเขาแจ้งข่าวมาเนี่ยท่านเฉยเลยท่านเฉยเลยเลี้ยงพระอยู่ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรเพอดีนางทาสีทำจานที่ใส่อาหารนี่ตกแตกและสารีบุตรท่านก็กล่าวว่าสิ่งที่แตกเป็นธรรมดาก็แตกไปแล้วก็ไม่ควรคิดอะไร ภาษาดิบุตรคงหมายถึงโน้นนะครคงหมายถึงไอ้สามที่เจ็ดคนนะแต่แต่ว่านางเองคงจะ น, นึกว่าประษาธิบุตรพูดเรื่องจานแตกนางก็ดึงเอาผ้าไอเอาจดหมายเนี่ยมาให้ดูบอกว่าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเขามาบอกว่าสามีกับลูกชายถูกฆ่าตายทีฉันยังไม่คิดอะไรเลยยังไม่คิดอะไรกะไอจานแตกไปเดี๋ยวนี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่า เอาไอ้ความเห็นไตรลักษณ์ในระดับหนึ่งน่ยที่จริงตามตำนานไม่ได้บอกว่าท่านเป็นพระโสดาบันนะท่านก็คงจะเป็นอุบาสิกาธรรมดาแต่คงจะบรรลุโสดาทีหลังเพราะว่าทีหลังท่านย้ายครอบครัวกลับไปอยู่ที่เมืองกุสินารานะก็คงเฝ้าเราพุทธเจ้าที่ที่ไปนิพพานเพราะว่ารูปของท่านก็อยู่ที่ประแทนที่ไปนิพพานเท่านั้นี่แสดงเห็นว่าเราก็ปรับได้ตอนปฏิบัติหน้าที่ก็คือหน้าที่แบบสมมติของเราก็ของเรากันเรียบร้อยนะครับ พอแตกแล้วก็สมมุติว่าไอ้แก้วของเราที่เราชำร้านล้างอะไรแต่ไหนพอแก้วมันแตกก็หมดความเป็นของเราก็กวาทิ้งทงั้งขยะท่จริงเราปฏิบัติกันได้นะปฏิบัติกันได้ระดับหนึ่งนี่มีเยอะไปของเดียวจริงทั้งๆทงี่เราเคยยึดถือว่าเป็นของเราแต่ว่าพอไ อ, ไอ้ไอ้ของเรามันใหญ่ๆนี่มันปล่อยวางไม่ได้เท่านั้นเองของเราใหญ่ๆปล่อยวางไม่ได้จึงก่อให้เกิดเป็นความโศกความร่าไรราพันธ์หรือว่า มีการต่อสู้ปกป้องอาราขาคุ้มครองสิ่งเหล่านั้นกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นของเรานะฮะเป็นเราเป็นเราก็เป็นความยึดถือด้วยอำนาจมานะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้นะฮะจึงจะเห็นว่าแท้จริงแล้วมันไม่มีความเป็นอย่างที่เคยอุปมาว่ามันเหมือนกับรถเรือนบ้านอะไรแ่เนี่ย มันอาศัยองค์ประกอบเข้ามาพอแยกชิ้นส่วนออกไปแล้วมันก็ไม่มีเป็นรถเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิน่งของอะไรก็ น, นี้ก็แล้วแต่ในายะของวัธรรมเทศนาที่จะส่งแสดงแก่ใครผู้ฟังนะฮะอย่างถ้าพูดด้วยภาษาชาวบ้านชาวบ้านภาษาคือว่าคนฟังไม่ได้ฐานในด้านศาสนาไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนะก็จะใช้แต่เพียงว่าแท้จริงแล้วทรัพย์มันก็ไม่ใช่ของเราบุตรก็ไม่ใช่ของเราบ้านเรือนก็ไม่ใช่ของเรา โครกระเบืออะไรตไรสมัยก่อนนะฮะก็ถือว่าโคเป็นทรัพย์การประเสริฐก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าเอาเอากันจริงๆแล้วแม้แต่ตัวเรามันก็ไม่ใช่เป็นของเราไม่จะเป็นของเราว่างๆเพื่อนเอาไปเผาไฟแต่เรายังไม่จะว่าอะไรก็ไม่ได้เลยก็ไม่ใช่เป็นของเราจริงๆแล้ไอ้สิง่งเหล่านี้ยมันจะเป็นของเราได้ยังไงนี่คือแง่ที่แท้จริงแล้วไม่ใช่เป็นเราแล้วก็ไม่ใช่เป็นของเราเราเองก็ไม่ได้เป็นเรานะความเป็นเราต่างๆจึงเป็นเรื่องสมมติ เ, เรื่องกำหนดแต่งตั้งกันอย่างที่อัตมาเคยเกิดอุปมาให้ฟังนานแล้วว่ามันเป็นละครชีวิตโลกคือละครโรงใหญ่ที่ถูกกำหนดบทบาทให้แสดงนะฮะคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตก็คือทำงานเต็มบทบาทแสดงได้ตีบทแตกอย่างเหมือนกระดารากที่เกตีบทแตกแกก็เป็นพระเอกนางเอกจนแกแต่คนไหนที่ตีบทไม่แตกมัก็เสร็จแล้วก็หลบเข้าหายหลังฉากหายไป แต่คนเราพอตายเราจะเห็นว่าบางคนมีอนุสาวรีย์เหลืออยู่ไอ้พวกนีตีบทแตกนะเล่นได้เต็มที่เลยแสดงเป็นพระเอกเป็นนางเอกได้เต็มที่แต่คนบางคนตีบทไม่แตกพอตายแล้วก็ตกน้ําปอมแปมหายไปเลยไม่มีคนรู้จักครับทีละบางคนตั้งสองสาพันปีแล้วก็ตีบทแตกก็ยืนอยู่บนละครโลกบนบนบนเวทีโลกได้สบายนะนี่คือฉันสมมติสมมติคือสมมตินะสมมตินั้นต้องสดแสดงให้เต็มที่เลย แต่ว่าพอเลิกแสดงต้องเลิกแสดงบทเรียนที่ดีที่สุดเนี่ยมายังไม่มองอะไรเห็นเท่ากับไอพ้พวกแสดงละครผู้แสดงละครแสดงอะไรไลิเกอะไรแต่ อ, อะไรไบ้านเราเนี่ยครเราจะเห็นว่าเวลาแกแสดงนะฮะสมัยอะไรสมัยรายการที่หแสดงกับเจ้าพยารามราคบน่ยรู้สึกรายการที่หเคยเป็นพรานบูนเเจ้าพยารามราคบเป็นไรไม่รู้ก็ตีโดยไม้ตะ พ, ตพดไ ร, รตรีๆๆรายการที่หกโดยไม้ตะพด คือคือคแสดงว่าสมบทบาทแต่ว่าคนเขาเขาก็ไม่ค่อยชอบมันมันรู้สึกจะไม่ค่อยเรียบร้อยอมีเรื่องมีราวอะไรที่คนตำหนิกันเยอะแต่นี่คือเราถ้ามองในแง่ละครเขาก็แสดงได้ดีในการที่หกท่านก็ไม่ได้มีปัญหารายเพราะเป็นการแสดงละครบทมาให้ตีนี่นะก็หมายความว่าบทบาทมันถูกกําหนดให้แสดงยังไงเนี่ยต้องแสดงอย่งังไงแสดงได้เต็มที่แล้วพอเลิกแสดงคือเลิกแสดงเพราะว่าในตัวพระราชาในเวทีแสดงนะฮะ พรแสดงเสร็จมันอาจจะต้องเป็นคนขับรถหรือเป็นคนขอนในเครื่องแสดงขึ้นรถก็ได้ยังไม่เตะถ้าเป็นพระราชายังไม่ได้ตอนนี้อดข้าวแต่ตอนตอนนั้นต้องเป็นพระราชาจริงๆแสดงได้สมบทบาทจริงๆเนี่ยคือเราจะเห็นว่าแท้จริงและในชีวิตเราเนี่ยมีครูสอนเราแยกในความเป็นต่างๆเนี่ยเป็นให้เป็นให้ได้นะเป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นเนี่เป็นเรื่องสำคัญ เป็นให้เป็นสมมุติว่าเราจะอาจจะเป็นเป็นผู้อํานวยการเป็นอาจารย์เป็นอะไรต่ออะไรอยู่ในโรงเรียนเนี่ยตอนนั้นต้องแสดงบทบาทเต็มที่เลยนะแต่พอถึงบ้านก็คือเป็นเป็นอะไรฮะเป็นลูกของพ่อแม่เป็นพ่อแม่ของลูกเป็นพี่ของน้องเป็นน้องของพี่ต้องอยู่จะพาะบ้านในมาเตะท่าเป็นผู้อำนวยการภายในบ้านเดียวก็อยู่กันไม่ได้ต้องเอาผู้อํานวยการไว้เฉพาะที่โรงเรียนนีะก็อย่างที่ลุงพ่อโตฮะสมเด็จพระอาจารย์โต รสึกจะคลองบางกอกน้อยนะประเทศที่ครองบางกอกน้อยเรือมันน้ํามันแห้งเรือติดเด็กเข็นไม่ไหวหลวงพ่อก็ลงเข็นด้วยสมเด็จโตลงเข็นเรือชาวบ้านโอ้โหนี่สมเด็จโตเข็นเรือดันบอกเฮ้ยอันนี้มันขัวโตนนนนสมเด็จนอนอยู่ในเรือคือพัดมันอยู่ดีพัดอะสมเด็จพอพัดออกไปมันก็เป็นเป็นหลงตาเนี่ยฮะเป็นเป็นขัวโตองค์หนึ่งต่นนั้นเนี่ยนี่เราจะเห็นว่าเราแยกได้แยกได้อย่างเด็ดขาดเลย นี่เรียกว่าเป็นๆเป็นให้เป็นเป็นให้เป็นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรที่มันยุ่งนั้นคือเป็นไม่เป็นเป็นไม่เป็นอะไรวันวันก่อนที่ทหารนะฮะทหารผู้ชายฟ้องหย่าเมียคือตัวเองนั้นเป็นจ่าแต่ว่าเมียเป็นร้อยเอกเมียเป็นร้อยเอกเวลาถึงกินอาหารเนี่ฮะก็สั่งให้ผัวทํางานคือเมียไปแต่งชุดร้อยเอกสั่งจ่าได้ แต่งชุดร้อเอกมาสั่งจานเสิร์ฟอาหารอะไรบริการเรียบร้อยทามังั้นทรมานจิตใจนะแกบอกว่าทรมานจิตใจมันดูหมิ่นศักดิ์ศรีของสามีมากคือว่าพอตอนออกนอกบ้านอยู่ที่สํานักงานนะั้นแน่นอนอนะแกก็เป็นจากแกก็ต้องเป็นลูกน้องอนะแต่วที่บ้านเนี่ยแกเป็นสามีอะมาทําแกอย่างนี้แต่แกขอฟ้องหย่าะเหตุผลนิดเดียวคือว่าเนี่ยเป็นไม่เป็นเป็นไม่เป็น คุณนายคุณนายคือท่านร้อยเอกท่านจะเป็นร้อยเอกทา้งในบ้านเนี่ยแกแต่งชุดร้อยเอกมานั่งเตะท่าสามีบริการอาหารให้มันวันสองวันก็พอทนได้นะฮะเจ็บ่ายไปสบายมันเล่นมันปีๆมันก็เลียมเลือทนแล้วนั้นนี่นะอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นไม่เป็นเป็นไม่เป็นมานะในชั้นหนึ่งเราถือว่าต้องมีแต่เราไม่เรียกมานะ เราเรียกว่าสัญญาสัญญาคือความสำนึกอย่างว่านักเรียนเนี่ยต้องสำนึกว่าเราเป็นนักเรียนมีอะไรมีหน้าที่มีกิจการงานมีภาระต้องทำทำให้เต็มตามหน้าที่เป็นลูกเป็นเพื่อนต้องสำนึกนะฮะต้องมีความสำนึกมานะมันกันนะวางตัวเหมาะสมแก่ฐานะที่เราเป็ น, เ ป, นเป็นอาการของมานะเพราะงั้นมานะในชั้นวินัยเนี่ยจึงมีในชัน้นศีลชั้นวินยัยชั้นระเบียบชั้นสังคมนี่ต้องมี คือการวางตัวเหมาะสมแก่ความเป็นของตัวไม่ใช่ปล่อยไม่ไม่มีมานะอะไรเลยนะไม่มีความรู้จักวางตัวให้เหมาะสมอะไรเลยเด็กเด็กก็เล่นกับผู้ใหญ่ได้แต่แต่รายนี่มาเล่นจับมือ <c oughs> เล่นอะไรหมกักกองหมักเก็บกันได้มันไม่ได้อย่างงั้นไม่ได้มันมันต้องมีมานะมานะในชั้นนี้มันมันจางจึงเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นมานะแต่ เ, เขาเรียกว่าสัญญาคือความสํานึก ความสำนึกถึงความเป็นของตนที่เราเป็นอยู่แล้วก็ปฏิบัติให้เหมาะแก่ความเป็นเหล่านั้นนี่ก็เป็นอาการของมานะนะฮซึ่งเห็นจะต้องต้องมีรายมีรายละเอียดที่ที่ควรจะกำหนดในโอกาสต่อไปเราเห็นจะต้องต่ออีกเที่ยวยนะังไงนักเรียนฟังเข้าใจเปล่าขนาดนี้ฮะเออเก่ง เองนิสสามารถเตรียมอุดมด